ว่ะเราที่จะเป็นพระสมบูรณ์แบบขึ้นอยู่กับพระวินัยเป็นหลักประกันพระในขั้นของความเป็นพระโดยทั่วไปตามหลักนิยมของคุณศาสนาการปฏิบัติต่งางกายทางวาจามีใจเ ป, เป็นธรรมนำมารับผิดชอบ ความเคลื่อนไหวของกายว่าจะอยู่ด้วยความระมัดรหวังเสมอนี่ยคือพระที่ชอบทำตามหลักของศาสตาที่สอนไว้มีเป็นท่านหนึง่งขความสมบูรณ์ของพระเจ้ของก็มีความอบกุ่นคนอื่นมองเห็นก็หน้าขเขาเบ่ล์ใส่ท่ที่สองก็คือธรรม จริ่รทำสึ้านภายในใจมีสมะสมถธรรมหรือสมาธิธรรมเป็นขั้นขั้นด้วยความท่าเทียมและตัญญาธรรมถึงวิมุตติหลุดพ้นในว่าวิมุตติธรรมทรงไว้ซึ่งธรรมซึ่งอยู่ในโดยสมบูรณ์ในหลักธรรมชาติของพระ นี้เป็นพระสมบูรณ์แบบเป็นพระอีกควรอย่างยิ่งต่อความเป็นแลณะของโลกได้ดงังพระในครื่งพุทธกาลที่ตั้งใเป็นแสงะของโลกด้วยมาพุทธทังสัณังกัชามิก็คือพระพุทธศาสเป็นปูบันลินิสุทธิธรรมอันนั่งเลิกโดยกดาปรฏปฏิบัติ ชอบยิ่งของพระองค์เองธรรมะช้านังพระฉามนี้พระธรรมอันเป็นศูนย์เลิศเลยยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกเราปรากฏขึ้ในพระัยเพราะการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งของพระองค์ทังคัช้านังพระฉามนี้ได้เกิดความเชื่อความมุ่งใยในหลักธรรมที่พระองค์ทรง ส, งสอนและนำประพฤติ ป, ปฏิบัติ ในความเอาจริงเอาจรงเนื่องมาจากความเชื่ออย่างถึงใจการทำทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงสิ่งทั้งสิ่งที่ชั่วมีอยู่ภายในจิตใจของตนมาบ้างเดิมทั้งสิ่งที่ดีที่ควรจะเกิดขึ้นได้เพราะความถึงใจในความเชื่อให้ผลดีชั่วนะ้นี่ยก็พฤทธปฏิบัต ด้วยความถึงใจสุด ท, ท้ายก็จะกฏเป็นสังฆะขังแท่นนั่งขึ้นมาอย่างเป็นดวงนี่หลักของความสมบูรณ์ของผู้เปปฏิบัติตามหลักสาธนาธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมจรึงไม่ใช่เป็นเครื่องประกาศอยู่ธรรมดาโดยหาตัวจริงไม่ได้ ทำที่จะกาดออกมาแต่และ แ, และง่ลัศดรของศาสนาธรรมนั้นออกมาจากความจริงและพร้อมที่จะแสดงความจริงให้แก่ผู้ป้ิมัติตามความขั้นตามภูมิของตนอยู่ทุกระยะกาลยิงเรียกว่าอตาลิโกทำไม่มีกาลไม่มีเวลาให้ผลได้ทุกเมื่อจากการแต่ธรรของผู้ไม่เลือกกาล เรือ่องลอมล้อมะเร า, าให้สมบูรณ์แบบหรือให้มนุษย์สมบูรณ์แบบก็ไม่มีสินน่งใดนอกเหนือไปจากธรรมสิ่งใ่งามก็ต่างไม่คาดึ้นไม่ถึงใจไม่แน่ใจไม่ตายใจไม่อบหุ่นใจยิ่งกว่าธรรมธรรมจริงเลยธรรมจริงพระเศษกว่าความดีอืน่นใดทั้งส การกล่าวทั้งนี้ออกมาจากหลักความจริงของใจผู้รับทราบในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นสืบเนื่องมาจากการค้นคว้าคามประพฤติปฏิบัติจนเห็นผลเป็นที่พึงพอใจแล้วเป็นผู้ไม่จะะทษสถพานเป็นผู้อาฆาตาโดยหลักธรรมชาติเหมือนกัน ในความจริงทั้งหลายไม่มีกระทกระทานเพราะอยู่ในใจนั้นหมดแล้วถ้าเป็นสินค้าก็ออกโชว์ได้โดนไม่จึงกลัวว่าสินค้าใดจะมาเป็นคู่แข่งได้เลยนี้จะชนะดับกันเลยพวกเราทั้งหลายเป็นพระ เป็นนักปฏิบัติจะพยาย า, ยามสั่งสมคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ให้เป็นหัวใจเธอด้วยความเพียรทุกแน่ทุกมุมอย่าลดละท้อถอยเพราะสิ่งที่แทรกเข้าไปทำลายทำที่เราต้องการนั้นมันมีอยู่รอบหัวใจ ใหงเพือใช้สติปัญญาทีินิที่จารณาสิส่งสอแทรกเพื่อทำลายเหล่านี้ตามหลักสาคนแห่งทำท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสเ น, น, น, นี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือตัวฆาตศิมีทั้งส่วนใหญ่ส่วน ย, ย่อยถ้าเป็นต้นไม้ก็มีทั้งรากแท่กรากปลอยนับไม่้วนถ้าเป็นฆาตศิษย์คนนี้ทุก ระยะทุกขณะของจิตคิ่คิดออกถ้าไม่มีสติคอยกํากับไม่มีปัญญาคอยพิจารณาความคิดความตรุงที่ออกมานั้นด้วนแล้วได้ออกมาจากรากฐานแห่งความต่างๆรากฐานแห่งความเป็นข้อจิตของธรรมทั้งนัง้นด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติไม่ค่อยสแสดงผลผลแม้ขัอนอ้นยากเทียงขั้น ไม่ขั่นต่ำเพียงขั้นของความสงบใจของตนได้บ้างตามการตามเวลาก็เพราะความรู้เท่าทันของเราไม่ทันคุณมายาของสิ่งที่จะครุกวรจิตใจให้หาความสงบไม่ได้แม่นั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเจตนาของเราเพื่อความสง บ, สงบใจ แมขณะนั้นใจยังสงบไม่ได้เพราะอะไรจรึงสงบไม่ได้เพราะกำลังของสิ่งทำลายความสงบนั้นมันเป็นพื้นฐานตั้งรากฐานอ ย, ยู่ภายในจิตใจก่อนการบำเพ็ญธรรมเราอยู่แล้วะฉะนั้นการยังสติยังความเพียรปัญญา ลงไปเพื่อความเป็นธรรมมีสมระธรรมเป็นต้นให้รากฏดขึ้นบ้างเองไม่ค่อยตากวดเพราะสิ่งเหล่านั้นที่เป็นภัยต่อความสงบนี่มันมีจำนวนมากมันมีกำลังมากพอจีบคอยขวางน้อคอยจุดคอยลากยิดที่มันถือว่า เป็นธงห ม, มงดของมันไอ้เป็นไปตามนาฏของมันเสียจนได้โดยที่เรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของมันทั้งนั้นเรื่องของธรรมเลยไม่หนึ่งในวงสมาธิในวงความเพียรของเราที่กําลังทําอยู่นั้นกลายเป็นเรื่องของกิเลสทาํางานเสียทั้งสิ้นและความสงบมันก็หนไม่ได้นี่ค่ะ พากตรจดําให้ถึงใจวิธีการปฏิบัติระหว่างทำกับเสือที่ต่อสู้กันมันมันเป็นอยู่ที่ใจของผู้ปฏิบัติผู้ที่เคยปฏิบัติมาแล้วที่เคยต่อสู้กันมาแล้วอย่างโชคดีทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งทุกทรมานทุกด้านทุกทางเพราะการต่อสู้กับ สิ่เลวร้ายทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่ผ่านมาเยอะจนช่ำชองแล้วนกกุ้คกังก็ไม่ทราบวัาตีตลกกีทิกกี่ครั้งกี่หนเรื่องเป็นบทเรียนทั้งนั้นที่ผ่านมา แ, แท้จริงที่ต่ำในเบื้องตน้นนีแต่แท้อยู่เรื่อยๆอย่างนั้นหาความพอ ต่ชนะบ้างเล็กๆไม่น้อยพอให้ใจได้รับคามสงบมี้ไม่ค่อยมีเพราะนั้นจึงพูดกันติดปากโดยไม่เห็นโทษแห่งสิ่งที่เป็นโทษซึ่งปรากฏอยู่ภายในจิตใจนั้นว่าการทาสมาธิทาวนาจิตไม่รู้จิตไม่สงบนั่งอะไรมันก็ไม่สงบนังนี้เป็นต้นมีอยู่ทั่ ว, วไป ในวงนักภาวนาไม่ว่าพระและฆราวาสแต่พอแย้ยมออกมาเท่านั้นถ้าเป็นผู้ที่เคยถามเป็นผู้เคยปฏิบัติต่อจิตตะภาวนาที่เรียกว่าการต่อสู้กับชาติศึกเป็นข้านๆตอนๆไปแล้วรู้ไปแล้วถามไปแล้วจะต้องทราบทันทีนี่คือพูด ออกมาตามเรื่องความโง่ของตัวเองที่ไม่ทันได้เดียมของจิตเลยทั้ทงหมดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะสติปัญญาของเรายังไม่มีกำลังและยังไม่ทราบด้วยว่าสติเป็นอย่างไรปัญญาเป็นอย่างไรจรึงไม่าอาจจะทราบว่าสิ่งที่เป็นค่าสุดต่อความสงบนั่นคืออะไรจรึงเมาเอาทั้งตัวเลยว่า วันนี้จิตไม่สงบไม่ร่าเริงนั่งภาวนาเท่าไหร่ยิ่งยุ่งไปหมดดูเฉยเฉยไม่เห็นยุ่งเหมือนนั่งภาวนาพอนั่งภาวนาเขาเท่านั้นเหมือนกับไปเหมือนกับช้างความยิ่งเยิงยิ่งวายให้แก่ตัวนะความจริงนี้ก็มีแง่อันหนึ่งถ้าเราช้าความพียงแค่ไหนก็พอทราบได้ขณะที่เราไม่นั่งภาวนาเราว่าเราไม่ยุ่ง นันมันดุ่งเสียจนไม่มีสติสตังท่อที่จะจับยึดเอาแง่ใดตอนใดของสิ่งที่มาทําลายตนเองให้เกิดความวุ่นวายเกินกว่าสติปัญญาของเราจะทราบได้จึงไม่ทราบได้ว่าวุ่นมากน้อยแค่ไหนยุ่งมากน้อยแค่ไหนในขณะที่อยู่ธรรมดาแต่พอเริ่มทําสมาธิภาวนาเพราะเป็นการที่เริ่มตั้งใจ เพิ่มเราไม่ตรั ง, งสิก็ได้ทราบว่าจิตมันวุ่นเพราะแต่ก่อนไม่ได้สนใจไม่ได้เจาะก็ไม่ทราบหนึ่งมันมีเมื่อนที่จะให้ทราบกันอยู่ในวงความเพี่ยงแม้สติจะมีน้อยกว่ายัางพอทราบได้นะจิตนี้วุ่นวายแล้ววุ่นวายยิ่งกว่าเวลาธรรมดาไปอีกเวลาธรรมดามันก็คนไม่มีสติเหมือนอย่างคนไข้ที่หมดสติภายในตัวแล้วจะเปิทุกขเวทนาได้ห มีแต่ละเมื่อเพ้อฝันแต่ต่างๆนาน า, นาทุกขเวทนานหนักเบามากน้อยเกียนไหไม่มีสติรัทราบได้เลยไม่เป็นตัวของตัวตลอดจนกระทั่งสิ้นลมหายใจไปเปล่าจิดที่ไม่มีธรรมเข้าเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นต้นวัดตวงดูความทุ่ง์ทาริ่วายของตนเอง ในเวลาปกติธรรมนาและเวลาทำสมาธิภาวนาเราก็มีทางรู้ได้เช่นเดียวกับคนไข้หนักไม่มีสติอยู่กับตัวนั่นแหละมีขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้นแต่พอได้พยายามตั้งพยายามต่อสู้พยายามหักห้ามความคิดความปรุงซึ่งขักดันออกมาจากสจ้าอำนาจคืออวิชชาปัจจยาสั้งข้าหา นสังขารประเภทนี้เลยร้อยทั้งร้อยออกมาจากอาวิชาทั้งนั้นอันนี้อวิชาปัญยาสร้างข้าว่าสังขารประเภทนี้เป็นสังขารสมุทัยที่ออกมาจากตัวสมุทัยเอะคื่เป็นเครื่องมือของสมุทัยได้แก่อวิชาพอสแสดงออกมาเป็นความคิดความปรุงก็เป็นลวดลายของพิเหลกไปเสียทั้งนั้น ไม่ว่าจะได้ยินได้เห็นได้ฟังสิ่งใดเห็นฟังได้ยินได้เห็นได้ฟังได้สัมผัสลงไปเพื่อเรื่องของสมุทัยนี่ทั้งหมดแล้วเราจะหาควาสมสงบร่มเย็นมาจากไหนเมื่อความกระเพื่อมออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสทํางานเสียทั้งหมดไม่ใช่เรื่องของธรรมทางานเลยจะเห็นผลได้ไอย่างไรมีตอนไหนึ่ง ตอนต่อสู้กันระงับไม่ให้คิดในเรื่องที่เคยคิดเคยปรุงตามธรรมดาปกติของจิตให้คิดด้วยความตั้งใจให้คิดด้วยความเป็นธรรมเช่นท่านสังท่านสอนให้นาคาบริกรรมบทใดก็ตามที่เหมาะกับจริตั้งตนและถนัดกับใจเข้ามาบริกรรม การบริกรรมนั่นก็คือความคิดความปรุงประเภทหนึ่งแต่ความคิดความปรุงประเภทนี้ท่านเรียกว่ามักก็ทําเป็นผู้บงการให้คิดให้ตรุงบางครับจิตที่มันจะคิดไปตามคิดนอกลูก่นอกทางไปตามเรื่องของสมองใจให้กลายเป็นความคิดเป็นมักเพื่อความสงบใจเช่นพุโทโธพุโทโธ หรือการกำหนดจดจ่ออยู่กับลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกด้วยความมีสตินี่ก็เป็นการหักง้ามความคิดที่เคยเดินไปตามแถววัดตาจากวัดตะบนให้เดินตามทางของธรรมที่เรียกว่ามรรคนั่นนะ่ะคะาำ่าสังขาจรจินแยกกันมากอย่างนี้สังขารตาชูมูไทนั่นคิดขึ้นมาโดยลำพังตนเองเป็นอัตโนมัติเพราะอา น, นาจของอวิชชา เป็นผู้มีกําลังกล้าสั่งงานออกมาสังขารที่คิดขึ้นเมื่อความเป็นธรรมไดจากวาความคิดความปรงเปลี่ยนจากความคิดที่เป็นจมนกไทยให้มาเป็นความคิดในทางธรรมเช่นพุทโธพุทโธหรืมทนนําบทใดก็ตามมีความรู้ากาลังอยู่กับควทำโดยสั่นั้น สติกำกับอยู่กับนั้นรู้สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่กับทำบดยกับนั้นนี่เรียกว่าสังขารเหมือนกันแต่เป็นสังขารของสายมาัดเป็นผู้พาให้ทำงานสติเป็นผู้ควบคุมความคิดความปรุงอันนี้อย่าง น, น, น้อยให้มีสติก่อนปัญญาคอยช่วยกันทีหลังเมื่อในใช้ความพยายามอยู่อย่างนี้เรื่อย ความคิดความปรุงที่เป็นฝ่าสมุทัยก็ไม่มีทางที่จะแสดงตัวออกมาได้เพราะจิตินี้ถูกบังคับให้ทางานในด้านของธรรมะไม่ได้ถูกบังคับให้ทางานในด้านสมุทัยเหมือนปกติธรรมดาที่เคยคิดเคยทางานอยู่แล้วด้วยอำนาจของวิชาเป็นต้นถึงตดย่มได้รับความสง มนลักษณะกันที่ตรงนี้ถ้ามันจะปรุงจะแต่งออกไปก็ขยับความคิดความปรุงที่เป็นด้านอัตถ์รรมคือคํา ม, มูลกรรมนั้นให้ที่ยิบเข้าไปจะไม่มีช่องทางความคิดชาติต่ำที่จะแทรกเข้ามาแล้วมาฉุดลากยิดออกไปสู่ภาพแห่งความคิดปรุงออกมานั้นหหลงเชื่อให้หลงเชิญไปตามความคิดนั้นๆความปรุงนั้นๆ จิ ต, ตก็สงบตัวได้เมื่อจิตสงบตัวได้เรื่องความสุขมันไม่มีอะไรบวนแล้วทำไมจะไม่สงบไ ม, ไม่เย็นเท่าที่จิตหาความสงบหาความเย็นหาความสบายไม่ได้ก็เพราะถูกยุแย่ก่อ ก, กวนอยู่โดยหลักธรรมชาติของมัน ด้วยอำ น, นาจของสมุทัยตาให้เป็นตาย อ, อยู่นั้นโดยอัตโนมัตินั่นเองการผุกปีตจริงเป็นเรื่องลำบากเพราะท้าสุกที่มีอยู่ภายในที่คอยอยีตคอยกันคอยทำลายทำนั้นมีอยู่มากเกินกว่าที่จะคิดจะคาดจะหมายนอกจากจะกลายไปเป็นเครื่องมือของมันอยู่ทุกระยะเวลาที่คิดที่ตรุงเท่านั้นสาหรับผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาพอจะ ต่อสู้มได้ต้องยอมรับเป็นภาสของมันไปก่อนนี้เมื่อพยายามทำํมทำด้วยความตั้งอกตั้งใจมีวันหนึ่งจนได้ที่จะเห็นได้อย่างชัดชัดว่าจิต น, นี้ได้สงบตัวลงไปจนกระทั่งขาดหมดจากทุกสิ่งทุกอย่างความตรุงความแต่งแม่จุดกับหันก็เห็นได้ชัด ว, ว, ว่าไม่สืดต่อกันเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆคาว่าไม่สืดต่อกันเลยในขนานั้นได้แก่ขันก็สงบตัวจิตก็สงบตัวไม่เกี่ยวข้องทัวพันกันนี่หมายถึงขั้นสมาธิเท่านั้นไม่ได้หมายถึงขั้นยิ ม, มุติุดทนคาว่าขาดจากกันนั้นเป็นคณิกะชั่วขณะก็เห็นได้ชัดเพราะ อำนาจแห่งการฝึกฝนอำนาจแห่งการต่อสู้อำนาจแห่งการตัดฟันสิ่งที่เกี่ยวโยงจะทําให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายขาดไปโดยลําดับจําดับด้วยวิริยะธรรมของเราํากับลิ้นแนบชนิดดึงกับคําบริกรรมหรือแตอนาปานณะสติเป็นต้น ตามจุดขนติดที่ว่ายากไม่ใช่อะไรพาให้ยากฟังให้ถึงใจที่พาให้ลำบากในการประกอบความเพียรไม่ว่าจะเป็นอิยาบทนั่งอิยาบทเดินอยาบทดื่มอิยามบทนอนเพื่อความเพียรไม่ใช่นอนเพื่อหลับมันเป็นการต่อสู้กับ สิ่งที่เค ย, เยมีอำนาจครองหัวใจมานา น, านทั้งนั้นแล้วจะไม่ยากมาลำบากได้อย่างไรต้องยากต้องลำบากการยากการลำบากในความภาคเพียงที่จะแก้ที่จะถอดถอนตนเองให้หลุดพ้นสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ให้ทรมานอันหาประมาณไม่ได้ไม่มีต้นส า, ายไป เหตุอันใด น, นั่นยิ่งมีน้ำหนักความทุกข์ประเภทนั้นยิ่งมีน้ำหนักยิ่งร้ายยิ่งกว่าความทุกข์เพราะอ่ า, อานเพราะความเพียรเพือถอนสิ่งเหล่า น, นั้นเป็นไหนๆด้วยเหตุนี้เราจรึงไม่ควรจะไปคิดเห็นการเพกาบความเพียรว่าเป็นความลําบากลำบนแล้วท้อถอยอ่อนใจอ่านเป็น เรื่องของฝ่ายต่ําแทรกเข้ามาเปรี้ยกรอมจิตใจให้ลดละความภาคเพี้ยนแล้วกลับไปเป็นบริวารของมันอย่างสนิทที่ตนที่เจ้าตัวไม่รู้นี่แหละความแหลมคมของสิ่งต่ําความละเอียดละ อ, าอาของสิ่งต่ําความเปี้ยกรอมของฝ่ายต่ํานั้นเปี้ยกรอมจิตอยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยความนมัดระวังอา ศ, าศาัยสติปัญญา มีท่าทางแห่งการต่อสู้อยู่เสมอไม่ว่าอิริยาบุตรใดนี่คือผู้ที่จะรู้ถอนตนออกจากทุกข์ให้เห็นแก่จักใจต้องดำเนินด้วยวิธีการอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าสมัยใดช่างพุทธการกิเลสทุกประเภทต้องเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นมั่นคง เคยเป็นจะออำนาจกรองหัวใ จ, จของสัตว์โลกมานา น, น, านเองต้องต่อสู้กันด้วยความยากความลำบากลำบนดเรื่อยมาไม่ใช่แต่ลำบากเฉพาะครั้งนี้สบายมาแต่ค้า้งโน้นไม่ต้องประกอบความเพียรยากลาบากอะไรเลยกิเลสก็ขาดไปหลุดไปหลุดไปหากเป็นอย่างนั้นแล้วทั้งโลกก็กลายเป็นผู้วิเศษวีโสหลุดพ้นจากทุกข์ไปห ไม่มีใครที่จะยอมมานอนตมอยู่ในทุกข์ซึ่งเป็นสิ่งนี้ไม่ถึงปรารนาเพราะอำนาจของยิเงเพาให้เหยียบย่าทำลายพาให้สแสดงผลออกมานี่เลยหนึ <S <S ่งเป็นหลักใหญ่พราะะนั้นการประกอบความเพียรทุกประโยคจึงให้ระ ม, มัดระวังสิ่งที่จะคอยแทรก มาเป็นเจ้าตัวการมาเป็นเจ้าของแบบจอมปอมที่เราไม่รู้ทุกระยะยาไม่เผอตัวมันแค่กีย่ทุกระยะเหตุใดเราจึงจะทราบได้จะทราบได้ด้วยความพยายามในทางความเพียรทางสติทางปัญญาของเหล่านี้จนได้และค่อยทราบไปโดยลําดับ ไม่สงสัยวันไหนจิตใจผาาโถนให้ทราบว่าวันนั้นแหละเป็นวันที่กิเลสท้าทายธรรมะอย่างยิ่งเป็นเวลาที่กิเลสเหยียบย่บยาทำลายจิตใจของเราซึ่งเป็นสมบัติอันล้นค่าอย่างยิ่งเราจะปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายจิตใจซึ่งเป็นของมีค่าอย่างยิ่งของเราทั้งๆ ท, ที่เรามุ่ง ที่จะให้ทำคลองใจอยู่แล้วนั้นให้ขาดลอยไปตามที่เด็เสียทั้งสิ่นนั้นสมควรกับความมุ่งหมายกับเจตนาของเราแม้นิดหนึ่งบ้างไหมแล้วต้องตั้งปัญหาฐานตนข้ามการรบการสึกการทรมานตนีเต็มไปด้วยสิ่งจมปลอมทั้งหลายอยู่ภายในใจนี้ เ่ินเป็นสิ่งที่สุดสิ่งที่ทรมานยากหนักหน่วงแต่ไม่หนักยิ่งกว่าการนอนจมอยู่กับพิเรพพิเรพสร้างกองทุกข์หยอกย้ําทําลายเนื้อมาทุกภพทุ ก, ท ก, ทกอันนั้นหนักมากยิ่งกว่านี้และหนักไม่มีต้นไม่มีปลายไม่มีการสถานที่ว่าจะหลุดพ้นไปได้เมื่อใด แต่ความทุกข์ความลําบากเพราะการประกอบความภาคเพียนนี้นั้นแม้จะยากลําบากขนาดไหนก็มีวันที่จะผ่านพ้นทุกข์เพราะความเพียนทุกข์เพราะอํานาจของกิเลสเหยียบย่ำธรรมดายนี้ไปได้โดยลําดับจนกระทั่งหมดทุกข์ทางใจไม่มีเหลือเลอททเยเพราะกิเลสซึ่งเป็นผู้สร้างทุกข์ภายในใจนั้นได้สิ้นส่าลงไปเลย รักจะมีทุกข์เหมือนโลกทั่วไปอันปฏิเสธไม่ได้ก็มีเพียงทุกข์ในขันใครๆก็มีได้แต่ไม่สามารถที่จะเข้าเหยียบย่ำทำลายจิตใจไม่สามารถที่จะประจับประสานเป็นหอกเป็นหลาทิ่มแทงหัวใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเฮ้ยกลายเป็นเรื่องศัจธรรมเป็น ร่างกายมีความเจ็บปวดแสบร้อนเจ็บท้องปวดศี่สั่ขึ้นที่ตรงไหนมีคนอุกามตรงไหนใจก็นับทราบเองโดยหลักธรรมชาติไม่สุ่มทราบไม่ไปเกี่ยวข้องพัวผั่งเป็นปกติอีกในหลักธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วนะนั่นที่ว่าพระพินาศพท่านท่านเสวยบาปสะขัย ท่านไม่ได้สเสวยแบบซึมทราบเทงเปีย ง, ย, งยอมรับทราบกันว่าขันนี้มีทุกข์แต่ท่านก็ทราบโดยหลักธรรมชาติอย่างชัดเจนอีกเหมือนกันว่าคำว่าขันมีทุกข์ก็สัดแต่ว่ามีตัวขันเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองเช่นร่างกายเป็นทุกข์เมื่อกาหนดดูความทุกข์ในร่างกาย หรือกําหนดดูกายที่ว่าเป็นทุกข์นั้นกายก็ไม่มีความหมายของไม่ทราบว่าตนเป็นทุกข์ทุกที่แสดงอยู่ในร่างกายเวลาั้นในขันเวลานั้นก็ไม่ทราบว่าตนเป็นผู้แสดงทุกข์ให้แก่ร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นแต่เพียงว่าแสดงอยู่ตามความจริงของตนของตนเท่านั้นจิตก็ไม่ไปลุกลี้ลูกลนวลไม่ไปขนทุกข์ จากสิ่งเหล่านั้นมาเป็นตนเป็นของตนเป็นเราเป็นของเราให้หนักหน่วงท่วงจิตใจลงไปไปยังจิตบริสุดโดยหลักธรรมชาติเรียกว่าตา่างอันต่างจริงอยู่เท่านั้นมีความรับผิดชอบกันไปตามการพอถึงอวสานแห่งสมมุติที่จะสลายตัวลงไปสู่ความจริงของเขาก็ปล่อยตามสภาพของมันหมดความรับผิดชอบในขณะนั้น ยิตที่ไม่มีสิ่งใดเป็นเครื่องกเกาะเกี่ยวอยู่โดยหลบหลักธรรมชาติทั้งตนแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนั่นนหะที่โลกทั้งหลายว่าหรือพวกเราเข้าใจว่าท่านสะเวทุกท่านไม่ได้สเวทพระพุทธเจ้าพระสาวไม่สเวททุกขเวทนา ยกตัวอย่างเช่นพระพุทธทเจ้าเสด็จจะไปปฏิบัานเมืองกุชินาลาเมื่อเสด็จไปถึงระหว่างทางตรงก็หายน้ำและอ่อนเพลียในภาพในขันความกระหายน้ำนั้นก็คือความบกพร่องความต้องการของของันว่าต้องการน้ำมาเยียวยา ความอ่อนเพียก็คือเรื่องของเวทนาในขันพักผรบ้างแล้วก็จะเป็นการบรรเท่าการปัดพระองค์จึงตรบับเรียกจะสั่งพระานนษให้ไปตักน้ํามาให้เราดืนน่มอาบน้ำเราก็หายน้ำํำคําว่าเราในสถานที่นี้ก็หมายถึงว่าขันที่เรารับผิดชอบอยู่นี้มันต้องการน้ําอืม ฐานที่เรารับผิดชอบอยู่ในอันนี้มันต้องการพักผ่อนต้องการความสนับสนุนเพราะพอบรรเทาความอ่อนเพลียนี้ด้วยการพักผ่อน <c oughs> ความหมายอย่างแท้จริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงว่าอาโนนตักน้ํามาให้เราดื่มเราหิวเราก็หายเราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการกระหายน้ํา เราเสวยทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นจากการอ่อนเกียวของขันไม่ได้หมายอย่างนั้นนั่เป็นเรื่องของชาโลกที่มีกิเลสซึ่งไม่เคยทราบความจริงระหว่างขันติกิบธิก ข, ของผู้บริสุทธิ์าเป็นอย่างไรจึงต้องเมาเอาทั้งหมดว่าพระพุทธทายาทก็ทรงสเสวยทุกไม่ทรงสเสวทุกท่านจะรับสั่งทำไมอย่างนั้นอย่างนี้พูดออกมาได้ เพราะความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่เป็นความจริงของธรรมที่เกิดขึ้นจากจิตแท้ๆแยกกันให้เห็นได้อย่างชาัดเจนผู้ที่รู้จริงเห็นจริงในเรื่องเหล่านี้ประจักษ์ใจทั้งขันทั้งจิตโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่มีคำพูดเช่นนี้ขึ้นมาและจะไม่พูดอย่างนี้ด้วยเพราะไม่ถูกกับความจริงนั่นแหะทันวั ถึงขันนี้จะเป็นฟืนเป็นไฟใจอยู่ในข้างกลางแห่งขันใจก็เป็นความบริสุทธิ์ไม่ได้เป็นฟืนเป็นไฟไปกับภาพกับขันนี้เลยเป็นเพียงรับผิดชอบชิ่นการองใจเท่านั้นอาการของท่านผู้บริสุทธิ์กับอาการของสามัญชนทั่วไปที่แสดงเหมือนอนกันในทางกิริยาก็มีอยู่ เป็นแต่เพียงว่าจิตใจนั้นต่างกันเช่นเดินไปกำลื่นจะหกลม้มท่านจะพยายามช่วยตัวเองจนกระทั่งสุดความสามารถ <c oughs> ไม่พอหกล้มก็ไม่ามายอมให้หกลม้มจนสุดที่สยัยถึงจะยอมหกลม้มลงไปนี่เป็นสรรพาตยานแห่งความรับผิดชอดของจิตที่มีต่อขันต่างหาไม่ใช่ความคัวตา ไม่ใช่ความตกตกต ก, ตกใจสะทกสะทานกลัวล้มกลัวเจ็บท่านไม่มีอย่างนั้นหากเป็นสัมผทสจิญาณที่รับผิดชอบกิริยาจริงแสดงเหมือนกันหรือเดินไปตามทางมองเห็นรากไม้คล้ายกันกับมือกำลังจะเหยียบย่างลงไปที่ตรงนั้น มองเห็นนั้นเข้าใจว่าเป็ น, นท่านจะโดดทันทีโดดจากจุดที่จะเหยียบตรงนั้นไปที่อื่นทันทีนี่ก็เป็นจิริยาอหนึ่งแต่จิตใจไม่ได้กะทกสะท้านไม่ได้กลัวเหมือนอย่างสามัญชนทั้งหลายกลัวจนตัวสั่งจิตใจวูบว่าเป็นฝืนเป็นใสเหมือนกับใจทั้งดวงนี้จะถล่มล่มจมไปในขณะนั้นด้วยความกลัว กิริยาที่แสดงนั้นเหมือนกันแต่ใจท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันไม่ว่าพุทุชนคนสามัญเราธรรมดาไม่ว่าพระอรหันต์กิริยาอันนี้เหมือนกันที่ต่างกันก็เพียงใจเท่านั้นท่านไม่สะทกสะทานหากเป็นธรรมชาติแห่งความรับผิดชอบเรียกว่าสัญชาตยาณมันเป็นอย่างนั้นการหัวเราะ มีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกิริยาไม่ยังไปถึงจิตไม่ทำจิตให้โอนเองไปตามหรือไม่ยิ่มแย้มแจ่มใสให้เช้าหมองไปตามกิริยาอย่างนั้นเลยอือคือความผิด ก, กรรมพียงเหล่านี้จะทราบได้าจากวงปฏิบัติ เพราะยานยิ่งทราบได้จากผู้ปฏิบัติต่อจิตใจของตนเองทำละทักพ่อไปโดยลำดับสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจจะค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยอาการของจิตก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยจากฝ่ายต่ำกลาเป็นฝ่ายสูงจากจั่วกลายเป็นฝ่ายดีจากความพุ่งซ่านวุ่นวายากลายเป็นความสงบเย็นใจ จากความสงบเย็นใจกลายตป็ความผา่องใสปะกายเป็นความเฉลียวฉลาดโดยอุบายทางปัญญาไปได้เรื่อยสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่กับใจก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยอาการของใจที่เป็นไปด้วยความแยกคายในทางที่ดีที่เรียกว่ามรกก็มีความละเอียดละ อ, อเข้าไปเอ่งสติก็รู้ได้เร็วปัญญาก็พลิกแทงเปลี่ยนตปลงเคลื่อนไหว ให้ทันกับเหตุการณ์ได้เร็วและรวดเร็วเป็นลำดับลนนักจนสุดท้ายก็เรียกว่ามหากติมหาปัญญาได้อย่างเต็มปากหรือประจับใจไม่สงสัยนี่เกิดขึ้นจากการจึดฝนอบลมล้มลุกคลุกคลามาจากความล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละจนจะมาถึงท่านนี้ถ้าพูดถึงเรื่องกองทุก เพราะการประกอบความเพียรมันเป็นด้านวัตถุแล้วเราจะเอาไว้ที่ไหนมันก็เต็มความทุกข์อันนี้ความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรเพราะกา ร, กา ร, การต่อสู้กับสิ่งเร้ายทั้งหลายภายในจิตใจไม่ใช่วัตถุพอทุกข์เกิดขึ้นมันก็มีการดับไปทุกข์มากทุกข์น้อยเทียงไรมันก็มีการเกิดและดับไปเช่นเดียวกันจึง เ, เมื่อปรกุกฏแต่ทุกข์เรา แห่งความเพียรที่ประกอบมาโดยลํำดับจนถึงท่าน ท, ที่แกล้ววิมุตถุท้นเพราะอํนานาจแห่งความเพียรเรื่งเต็มไปไ ด, ด้วยทุกข์เล็กนั้นทุกเหล่านี้เราจะไปเทียบกันกับทุกที่กิเลตพาสร้างขึ้นมาในพบน้อยพบใหญ่เป็นวัตจักรวัตวนหมูนไปเยือนมาของจิต ด, ดวงเดียวของบุคคลคนเดียวนี้เทียบกันไม่ได้เลยถ้าจะเทียบก็เหมือนอย่างทุกที่เกิดขึ้นจาก การปองกอบความภาคเพียนของเรานี้เท่ากันกับเราจะเทียบเป็นวัตถุก็เท่ากับมะพร้าวลูกหนึ่งเท่านั้นเทียบถึงกองทุกซิกิเลตสร้างมามากน้อยนั้นเทียบกับแผ่นดินทั้งแผ่นเนี่ยใหญ่ขนาดไหนเราจะเอาทางไหน เราจะยอมรับทุกทางไหนหนักเบากว่ากันทุกที่แบกหมดทั้งแผ่นดินนี้กับทุกที่เราแบกในขนะประกอบความเทียมเท่ามะพร้าวลูกหนึ่งนั่นอันไหนจะหนักมากกว่ากันทุกขกิเลสสร้างให้เราได้รับได้แบกได้หามนี่หนักเท่าแผ่นดินทั้งแผ่นนี้อันไหนหนักกว่ากัน เราต้องคิดต้องยอกย้อนเทียบเหตุเทียบผลเพื่อหาทางออกแก่ตนเองด้วยสติปัญญาส่งกับธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้คนฉลาดที่เลดศสอนให้คนโง่สอนให้คนล่มจมธรรมะนี่สอนให้คนฉลาดสอนให้คนปลดเรื่องตนออกจากอำนาจของพิเดศซึ่งถ้าให้ล่มจมนั้นโดยลําดับต่างๆเราจะเอาทางไหนเราเป็นนักสัมมาต้องใช้อุมาวิธี ทุติปัญญาเทีเยดยังเหตุผลเพื่อหาทางออกเสมอจึงชื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อความฉลาดแต่แก้กิเลสได้โดยลําดับความไม่ฉลาดแก้กิเลสไม่ได้เพราะความไม่ฉลาดเป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วที่สอนคนให้โงคตัว่ากิเลสจริงๆไม่ได้โงงฉลาดยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกและธรรมของอุตสาจริงๆก็ฉลาดเหเนือกิเลส ไม่ฉลาดเนื้อกิเลสปราบกิเลสไม่อยู่ฆ่ากิเลสไม่ตายนี่พระพุทธเจ้าสีพระองค์เคยฆ่ากิเลสให้พี่น้าคิดหายมาแล้วเพราะทรมือสติปัญญาทมเป็นต้นในสามวกทั้งหลายที่ได้หลุดพ้นจากทุกมามีจำนวนมากเท่าไหร่ พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นมีสาวกมากน้อยกนอย่างประมวลมาแล้วจะมีมากเท่าไหร่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ฆ่ากิเลกให้ชิบหายล่มจมลงไปจากจิตใจด้วยอนนานาจแห่งธรรมทั้งนั้นเอามาเทียบเคียงเราเป็นนักปฏิบัติเพื่อพระเด็ชตามรอยพระบาทที่พระ อ, องค์ทรงดำเนิน ไปแล้วอย่างไรอันเป็นมหาสิมงคลอย่างยิ่งแก่พระองค์และชาโลกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างไรเราอย่าไปคิดเพียงแค่สุขเอาเผาปินเท่านั้นอันเป็นเรื่องของกิเลสเท่าสวมรอยไม่รู้สึกตัวนั่งถ้าจะมันโงกง่วงก็ให้เตียนอิริยาบทฝืนกันกิเลสมีอยู่ภายในใจต้องได้ฝืนใจการคล้อยตาม ความต้องการนั้นคือคล้อยตามจีเรศยอมรับอุบายวิธีการของจีเรศโดยแม่รู้สตวมันเถอดด้วยวิธีใดตั้งใจอยจะแทนนั่งภาวนาทำไมมันเถิดได้มันจะเถิดไปไหนสติเรามีอยู่เราไม่ใช่คนบ้าตั้งสติให้มันติดมันต่อกันอยู่กับปัตจุบันธรรมระวังอวิชามันจะ การความคิดความปรุงว่าภาพนู้นภาพนี้ขึ้นมาในถ้ากลางแห่งการภาวนาของเราแล้วปิดไปตามร่องรอยหรือร่างแห่ของมันเป็นภาพนั้นภาพนี้ภาพอดีตอนาคตภาพหญิงภาพชายภาพความมื่นเริงมันเพลงภาพความเศร้าโศกเสียใจระวังให้ดีนี้เป็นภาพของอวิชชาหลอกทั้งนั้นในวงความเพียม อย่าเสียดายภาพเหล่านี้อย่าเสียดายความปรุงเหล่านี้เราเคยปรุงเคยแต่งมามากแล้วด้วยอํานาจของฝ่ายธรรมที่มันกดขี่จิตใจเราพาให้ตรุงคราวนี้เราจะรักษาจิตใจด้วยอํานาจแท่งธรรมไม่เสียดายความคิดความปรุงใดๆโลกนี้เหมือนไม่มีมีแต่ความรู้กับธรรมที่สัมผัสกันอยู่เท่านั้นถ้าผู้บริกรรมภาวนาก็ให้รู้อยู่กับคําบริกรรมไม่คาดไม่หมายถึงเรื่อง ผลว่าจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไงแต่ธรรมะขั้นต่ำขั้นสูงเพียงไงยืมุดุดพ้นไปอย่างไรยากคิดให้เสียวเวลายิ่งกว่าความวจดจ่อต่อเนื่องกับงานของเราในวงปัจจุบันด้วยสตินั่นแหละถูกต้องเป็นจุดที่จะได้ชัยชนะเป็นจุดที่จะรับความผาสุขเย็นใจในการประกอบความภาคเคียงแทนี่หมายถึงเรื่อง พยายามทำจิตใจให้สงบให้จริงจังต่องานของตนทุกระยะของงานทุกขั้นของงานอย่าปล่อยตัวอย่าเผลอตัวความเผลอตัวความปล่อยตัวเป็นเรื่องของทิ่เลี่ยทั้งมวลให้ทราบแทรกจุดทุกแง่ทุกมุมเราต้องมีอุบายวิธีสติส ต, สตังรอบตัวอยู่เสมอจึงเชื่อเป็นผู้รักษาตัวเพื่อชนะกิ่เลียน <c oughs> นี่เป็นขั้นเริ่มแรก มีความยากความลำบากเป็นธรรมาดาด้วยกันแม้ผมเองที่เคยทิศแสดงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่ตอนนี้ก็โดนมาเสียจนถ้าจะเทียบแล้วท่อนน้อยท่อนใหญ่ชิ้นน้อยชิ้นใหญ่ขาดประจุดประกาแไปเพราะอำนาของกิเ็สมันถุดมันลากไปโดยที่เจ้าตัวไม่มีความรู้ความสามารถแกยับยัง้งตัวไว้ได้ทนกาลังของกิเลสไม่ไหว เป็นพรได้ด้วยกันเนี้เคยเป็นมาแล้วบางทีเกิดน้อยเนื้อน้อยใจออืะตนนัวนมีอํานาจวาสนาน้อยทำความเพียรแทบล้มแทบตายนี่แต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายหามากครับผลจะเกิดขึ้นก็ไม่มี น, นันมันก่อบแล้วแต่เราไม่รู้นะว่านี่คือเรื่องของกิเลสกรอบให้ถอยมันก็ดีอย่างหนึ่งมันพลิกกลับใหม่อาครูบาอาจารย์ทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ท่านก็เป็นผู้แบกกิเลสจิตใจน้าของกิเลสกิเลสบงังคับบัญชามาด้วยกันทําไมท่านนั้นด้วยกันดังนั้นทําไมท่านจึงสามารถทําได้เรานี่บวชมาเป็นลูกศิษยาศาสนาเพื่อจะดําเนินตามรอยพระบาทนั่นรอยเท้าของครูบาอาจารย์ที่ท่านดาเนินไปเหตุใดจึงต้องมาคิดเช่นนี้นักคิดเช่นี้มันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแก่เรานอกจากจะให้เกิดความท้อถอยอ่อนแอเท่า น, นั้นไม่มีอย่างอื่นเฮอแล้วจะทําอย่างไงมันพลิกขึงนมา ไฟไฟมากมันพลิกก็ามาเอาจนไดน้นี้นะี่หะมาถึงขั้นลำบากในขั้นเริ่มแรกนี้มีอย่างนี้ส่วนมากเป็นอย่างนี้ในวงปฏิบัติเวลาท่านประกอบความภาคเพียรอยู่นทุกยากลำบากขนาดไหนเช่นครูอาจารย์ผู้ปรากฏชื่อหรือนามเท่าที่เคยได้สัมผัสสัมพันธ์สัมผัสกับท่านแล้วไม่ว่าองค์ไหน อ, อยากจะพูดว่า เป็นเสียงเดียวกันหมดนี่คือคือว่าในขั้นที่มันทุกข์ทรมานในขั้นที่ยากลําบากเพราะไม่รู้หน้าที่การงานทองตนไม่รู้วิธีทําำกิเลสมันแยกทายกว่าจึงต้องแพ้เอาแพ้เอ า, เอาหลุดลุ่ยไปเลย<ม>ล้มละเนระนาดตั้งแต่นักปฏิบัติความาพเพียรในขั้นโนมแบบถูกกิเลสเหยียบย่ำทําลายต๊อกเวทีแห่งความเพียรไปด้วยกันทั้งนั้นเนี่ แต่เมื่อใช้ความพยายามไม่หยุดไม่ถอยเอาจริงเอาจังอยู่เสมอก็มีลุกได้ตั้งได้อหยุดไม่เคยสงบก็สงบได้อ่าพอจิตสงบได้ได้เห็นแล้วจิตหนีผลประจักเป็นพยานขึ้นมาแล้วความเพียนก็มีขึ้นมาเองเพิ่มขึ้นมาเองศรัทธาความเชื่อในผลที่ปรากฏขึ้นพ า, นายในใจนี้อย่างลงไปแล้ว นั่นนหะที่นี่เป็นเครื่องเสริมความเพียรความอดความทนที่จะให้รู้ให้เห็นอย่างที่เคยรู้ก็เห็นและยิ่งกว่านี้ที่เคยเห็นแล้วนี้มันก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นนหะเป็นเครื่องสนับสนุนจริงถึงจิตจะวุ่นขนาดไหนก็ตามความไม่วุ่นความสงบเย็นใจอย่างอัศจรรย์เราเคยได้เห็นแล้วนี่เราจะเอาให้เห็นอย่างนั้นหรือหรือละเอียดยิ่งกว่านั้นไม่ถอยน่ะเพิ่มแล้วนั่นแหละพอได้เห็นผลเท่านั้นมันก็เพิ่มความเพียร วิริยะความเพียรก็เพิ่มขันติความอดความพนมาพร้อมๆกับต่อไปก็จิตสงบได้พอจิตสงบได้แล้วเห็นคุณค่าของศาสนาและที่นี่ไม่เพียงแต่ว่าเชื่ออย่างแบบซุ่มเดาดีไม่ดีมันตําหนิศาสนาสุดยตั้มเพราะวิเลศกับกับธรรมเป็นค่าสื่กันมันต้องตําหนิศาสนาทั้งที่มันก็ฆ่าตัวเองในขณะตําหนินั่นแหละวิเลศมันเคยฆ่าคน มันต้องฆ่าเราเราไม่รู้กลมายาเขาหา่พอปากดผลขึ้นมาแล้วที่นี่เชื่อละอยังละนี่ยังเชื่อในศาสนาเห็นละเอียดละออรู้ละเอียดลออเข้าไปเพียงไรด้วยกิตฐพวนายิ่งทราบซึง้งเรื่องความเพียรดังที่กล่าวมาเป็นต้นมาพร้อมๆกันหยุดสงบแล้วเย็น คิดวุ่นเคยคิดวุ่นวายไปตามรูปตามเสียงตามกิ่นรถเครื่องสัมผัสอดีต ท, ที่เคยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนสังคมหญิงชายมามากน้อยเท่าไหรมันหดตัวข้นมาหมดไม่ยุ่งอยู่สบายสบา ย, ม, ายมีความสงบรล่มเย็นเป็นเรือนอยู่เป็นอาหารเครื่องสเสวยของใจใจย่อมไม่วุ่นวายเพราะใจมีอาหารเป็นเครื่องดื่มคือความสงบนั่นจากนั้นก็ ได้โอกาสที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาแยกเรื่องธาตุเรื่องขันไม่ว่าภายนอกภายในเป็นมากได้ทั้งนั้นมองดูรูปรูปไหนมันสวยมันสวยที่ตรงไหนรูปนั้นอ่ะเอเอเป็นรูปหญิงมันสวยตรงไหนรูปชายมันสวยตรงไหนมันสวยตรงที่ความสัมพันธ์ความสำคัญมันหมายของกิเลสมันหลอกมันฉาบเอาทาบูลตาฟางให้ฟ้าไปหมด มองไม่เห็นตามความจริงเห็นแต่ตามความจำลองของจินตเทั้งนั้นผิวหนังบางๆก็เป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรเพียงบางๆเท่านั้นแล้วมันครอบไปหมดในสิ่งปฏิกูลโสโครกอ น, นี้จังทุกขงหาะตาป่าชา้าผีดิบอยู่ในนั้นไม่มีเลยหนังอันบางๆนี่มันครอบไปได้หมดเลยเป็นความสวยความงาม ความน่ารักใคร่ชอบใจน่ากำหนักยินดีสร้างกิเลสตัณหาสร้างความวุ่นวายสร้างความกังวลสร้างความห่วงยายอ้อยอิงไปได้หมดนั่นน่ะเห็นไมเรื่องของอวิชาปัจจะยามันหลอกตัวมั น, มนก็ปลอมภายในจิตแล้วมันก็หลอกจิตซึ่งยังไม่มีหลักมีเกณฑ์เป็นเครื่องยึดเหนียวให้หลงไปตามมันจนได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ปัญญา ที่จะนาแยกแยะเอามันติดรูปไหนมันว่าสวยว่างามว่าดีว่าดีที่ตรงไหนนำมาคลี่คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงซ้าแล้วซ้าเล่าเอาจนมันแหลกละเอียดหายสงสัยย้อนเข้ามาดูภายในร่างกายของตนกับอันนั้นมันก็อันเดียวกันอย่างเดียวกันไม่มีอะไรผิดแตกกันแม้แต่น้อยอเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันจะยุ่งไปวุ่นไปกับอะไร ความมุ่นเป็นของดีแล้วหรือความฟุ้งเฟอเ้อเหิงวิ่งเต้นเพ่นกระโดดอี่ด้วยความคิดความปรุงตามอารมณ์ต่า ง, างๆมันเป็นความสุขแล้วหรือเมื่อจิตใจได้รู้เห็นชัดตามสิ่งเหล่านั้นด้วยปัญญาที่ขี้คลายดูให้เห็นตามหลักความจริงนี้แล้วจิตจะหนีไปไหนมันก็ย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเท่านั้นเองอ๋ออันนั้นก็หลอกอันนี้ก็ลวงหเห็นไปชัดเป็นปริกนาไปกว้างแคบขนาดไหนมันก็เหมือนกันหมดในโลกธรรมนี้ นั่นแหละที่มีกลาเป็นโลกวิทูขึ้นมาย่อยๆแล้วค่อยยัดขึ้นมาแยบขึ้นมาเป็นโลกาวิทูภายในตัวของเราชั้นใดโลกธาตุนี้กับชั้นนั้นอันนี้จังทุกขังหน้าตาภายในตัวของเราชั้นใดในโลกธาตุนี้จึ้นเป็นเรื่องของสมมติเป็นอันนี้จังทุกขังหน้าต า, าแบบเดียวกันหมดยิ่งช่ำชองยิ่งชำนิชํนานาญยิ่งคล่องแหนว่องไวานในการพินิจพิจารณาแล้วจะติดข้างอะไรกินนั่นแหละสติปัญญาออกเดินเป็นแบบนั้นมีที่เลียก เครื่องหลอกลวงว่านั่นสวยนี่งามนั่นเป็นนิจจังนี่เป็นสุขถังนั่นเป็นอัตตาค่อยลบเรือนลงไปลบเรือนลงไปจนหายซากไปทีรวมลงแล้ก็เป็นอนัตตาทั้งมวลนิจจังก็ดีสุขถังก็ดีส่วนมากมักจะรวมลงอนัตตาด้วยความถนัดใจของผู้พิจารณาของพระปฏิบัติทั้งหลายดังท่านท่านกล่าวไว้ว่าทัเพเทธมานตตานะ ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาสังขารนาิญามไม่ว่ารูปเสีย ง, ง, งกลิ่นนวดเครื่องสัมผัสต่างๆเป็นชัติเทธรรม า, าทั้งสิ้นเมือสุดยอดแล้วลงปตรงไหนนี่แหละปัญญาจริงเมื่อถึงขั้นออกพิจารณานี่แล้วยิเลศจะหมอบหลักที่นี่ค่อยหมอบไปหมอบไปอกําลังของกิเลศน้อยลงกําลังของของธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นหลักใหญ่มีความหนาแน่นมั่นคงมีความชนดแหลมคง เข้าไปโดยลำดับลาดับตามต้นไปหมดตรงไหนติดตรงไหนพิจารณาทันทีทันทีไม่มีคำว่ารอเวลาเวลามีแต่จอเข้าไปเจอเข้าไปเผาเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยจนกระทั่งไม่มีไอเดียบทมีแต่เวลาที่รบอยู่เท่านั้นมีแต่เวลาต่อสู้ไม่มีคำว่าถอยนอกจากพักผ่อนนอนหลับร่างกายชั่วการเวลาเท่านั้น ตอนนี้เพลินเรื่องคำว่าทุกข์ยากลำบากในการประกอบความเพียรหายหน้าไปหมดที่เราเคยทำมาแบบลำบุกลุกครานทั้งขี้เกียจขี่ค้านอ่อนแอทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยของสกรปรงเหลวไหลไม่เป็นท่าพาในตัวนั้นหายไปหมดมีแต่ความอยากรู้อยากเห็นอยากหลุดอยากพ้นประจักษ์ใจประจักษ์ใจโดยลำดับเห็นอะไรด้วยปัญญามันซึ้งจริงๆนี่ ไม่ซึงมันปล่อยได้อย่างไงนั่นจึงว่าเห็นจริงไม่ใช่เห็นปลอมเห็นปลอมหลอกไปเรื่อยหลงไปเรื่อยเคืองไปเรื่อยโศกเศร้าไปเรื่อยทุกข์ไปเรื่อยนั่นคือความเห็นอย่างจริงปลอมตามหลักของกิเลสที่มันเที่ยมสอนเห็นตามหลักของธรรมมันกับตระปัดกันแก้กันด้วยหลักความจริงแล้วปล่อยไปด้วยไม่ต้องบอกคําว่าปล่อยเมื่อมันซึงถึงใจแล้วปล่อยได้ทุกสิ่งทุกอย่าง้นไม่มีอะไรเหลือ เนี่ยปัญญาเมื่อถึงขั้นเทินแล้วเทินจริงจริงรับตื่นลืมตาเทินอยู่ตลอกไม่กินไม่ไดกินไม่นอนไม่นอนไม่สนกานอกจากการสู้รบกันให้ไปชัยชนะเป็นพักเป็นพักเป็นพักสุดท้ายกิเลสมอบเนีแล้วก่อนกิเลสเพ่นพ่านเยียบแต่หัวเรานั่นแหละเยียบย่ํำทําลายให้รับความทุกข์ความลำบากคิดภาพว่า เป็นธรรมนาเหมือนคนเราแสดงเป็นกิริยาออกมาเหมือนมีสกุาการนญจนวจะเรียกร้องหาความช่วยเหลือเจ้าของเสียงล่นโลกธาตุนั่นพอถูกกิเลสเหยียบก่เลสเหยียบย่ำทำลายหาความสุขความสบายไม่ได้เลยมีเพียงขณะที่หลับสนิทขณะเดียวเท่านั้นตอนนั้น ก, กิเลสก็สงบตัว ไม่ออกทํางานไม่ออกเพลนท่มามไม่เหยียบย่ำทำาลายจิตใจใจไดนรความสงบสบายขณะที่หลับชนิดนี้เท่านั้นพอตื่นขึ้นขึ้นมาเท่านั้นจิตใจก็ตื่นทํางานพร้อมกันแล้วก็เหยียบย่ำทำลายตั้งแต่บรรนานตัดถึงพูดได้เต็มปากว่าความทุกข์แสนสาหัสที่จิตได้รับอยู่ตลอดเวลามานั้นนั่นแหะถึงกับขนาดเปียบร้อง ถ้าเป็นจิตญาที่แสดงออกหน้าเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากเจ้าของจากใครก็ต่างไม่มีเวลาอยูดป่าเสียงลั่นโลกธาเพราะความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่ทุกข์เพราะอะไรแต่เมื่อถึงขั้นปฏิปัญญามีความสามารถแจ้กล้าแล้วกิเลสเหล่านั้นหมอบไปหมอบไปโดยลำดับจิตที่เรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ไม่ต้องเรียกร้องก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอย่างเต็มที่เต็มฐาน ไม่ว่าอยาบดิ์ใต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันหมอบหมอบที่ตรงไหนก็หมอบไปเถอะเพื่อขึ้นชื่อว่าสติปัญญาพันธิงการวณติปัญญาสมาอาภาความสว่างก็จางแจ้งความสดสองมองทะลุอันไหนเราจะเหนือสติปัญญาไปได้มันแทรกไปได้จนหมดจนกระทั่งกิเลสมันมีมือดอยู่ที่จุดไหนจุดไหนที่มีกิเลส จ, จุดนั้นต้องมืดจุดนั้นต้องมัวสติปัญญาต้องตามเข้าไปตามเข้าไป กระจายออกหมดออกระจายหมดรอบดวงจิตหมดแล้วไม่มีอันใดที่จะฝังอยู่ภายในจิตแทรกเข้าไปได้หมดก็คือปัญญาทะลุไปหมดแล้วทุกมีที่ไหนพี่ไหนที่เคยทุกมาลาบากลำบนมาภายในหัวใจไม่มีที่ตรงที่วางตรงแล้วด้วยอำนาจของสติปัญญาอันทันสมัยที่ว่ามหาสติมหาปัญญาห้าลงไปแล้วพินาศี่ผายลงไปแล้วจอมัตจักรจอม วัตถจิคืออวิชชาปัญญาสร้งางคาราทุกทําลายลงไปด้วยอํานาจแห่งส ต, ติปัญญาตโนมัตนินี้ไม่มีเหลืออยู่แล้วนั่นแลที่นี้เรื่องความเพียนที่เคยหนักเบามามากน้อยหมุนตัวเป็นเกลียวเหมือน เ, อเครื่องจักรเคื่องยนต์จะยุติดลงทันทีโดยไม่ที่ไม่ต้องมีใครมาบังคับให้ยุติไม่ยุติดจะไปรบกับอะไรสู้กับอะไรก็รู้ชัดชัดแล้วว่าหมดค่าสึกหมดแล้วนะ สิ่งที่มาเกาะเกี่ยวที่จะให้พิจารณาต่อไปหมดลงเพียงเท่านี้แล้วอะ้วอะไรจะฉลาดยิ่งกว่าปัญญาันก็รู้เองตอดตอยศาสตราอาวุธที่ต่อสู้กับยีเดชมีมากน้อยลอยวางลงตามเป็นจริงนั่นในสัจธรรมทั้งสี่ท่านจึงกล่าวไว้ว่าทบให้พึงกำหนดรู้เพียงรู้เท่านั้นตสมุมทัยพึงละ ละสมุทัยจะละด้วยวิธีไหนถ้าไม่ละด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเรื่องของมรรคจะประละสมุทัยได้ยอย่างไรน่นมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้นี่เราที่มีเรื่องมรรคเนี่ยจะตีกระจายไปนะ เ, เีอย่าเพิ่งสมุทัยนิโรธคุงทําให้แจ้งทันวะทําทให้แจ้งด้วยอะไรทํานิโรธให้แจ้งถ้าไม่ทําให้แจ้งด้วยมรรคคือสติปัญญาศรัทธาควงเพียรนี้จะเอาอะไรทําให้นิโรธแจ้งเนี่ยมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ เมื่อทั้งนี้ทํางานเต็มที่แล้วนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นจากการกระหารยิ่งเด็ดด้วยมรรคนี้แล้วก็เป <c oughs> ็นขึ้นมาเองดับสนิทนิจมือไทยก็ดับไปจากใจทุกข์ที่เป็นผลของจมภะไทยซึ่งเคยมีในใจก็ดับสนิทคําว่าดับสนิทนั่นคือนิโรธทำแสดงตัวเต็มที่เพราะอํานาจของมรรคฆ่าให้ตายอย่างสนิท แล้วที่นี่จะมีอะไรเหลือ่ะิที่กล่าวมาทั้งมวลสัจธรรมทั้งสี่นี้เป็นกิจยาของส ม, มุติทั้งมวลทกุก็เป็นสมมติส ม, มุทัยก็เป็นสมมติฝ่ายจีดฝ่ายขว า, างฝ่ายกั้นกางจิตใจมให้ไปสู่จุดประสงค์คือความหลุดพ้นแต่ได้มากเป็นเครื่องบุกเบิกเป็นเครื่องทําลายที่เหลือประเภทเหล่านั้นจนกระทั่งปรากฏเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาที่เรียกว่านิโรธให้สนิทไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้ว หมดกิริยามารพึงอบรมให้มีท่านว่าทาเวตบันเป็นเมพิโคลย์พึงอบรมอบรมคือหมายถึงทรงเสริมบํารุงมเมื่อเต็มที่แล้วกิริยาทั้งสี่นี้ซึ่งเป็นสมมุติด้วยกันคือเป็นสมมุติฝ่ายดีกับสมมุติฝ่ายชั่วสมมุติฝ่ายต่ำกับสมมติฝ่ายสูงทุกสมมติไทยเป็นสมมุติฝ่ายเป็นข่าสุด มาร์กนิโรธเป็นสมมุติฝ่ายแจ้ฝ่ายถอดฝ่ายถอนทั้งสองภาคนี้นั้นเป็นสมมุติด้วยกันผู้ที่รู้ว่าทุกดับไปแล้วเพราะส ม, มูทายดับผู้ที่รู้ว่ามาร์กเพิ่งทําให้แจ้งได้ทําให้แจ้งเรียบร้อยแล้วอืมไม่มีอะไรเป็นปัญหาแล้วภายในหัวใจนี้นั่นแหละคือผู้บริสุทธิ์อันนี้ไม่ใช่กิริยาอันนี้ไม่ใช่สมมุตินี่แหละที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายอืม พระจักพระไทยนำเป็นอาการออกมาสอนโลกรวงพระธรรมจริงๆคือถ้าจิตที่บริสุทธิ์ด้วยธรรมธรรมเป็นพระจิตพระจิตเป็นธรรมเป็นอันเดียวกันนั้นนำออกมาไม่ได้มอบให้แก่กิริยาอาการคุยหมายป้าทางที่บอกไว้เท่านั้นให้กุลนบุตรทั้งหลายไดน้นำไปปฏิบัติแล้วจะเห็นพระจักภายในตนเองว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมแท้นั้นอยู่ที่ไหน แล้วมีน้ำหนักขนาดไหนมีความแปลกประหลดาดประจย์ตาอะไรบ้างเพียงไรแค่ไหนจะไม่นอกเหนือจากปฏิบัติทาแห่งการดาเนินนี้ไปได้เลยนี่ละลากความจริงของธรรมท่านสอนไว้อย่างนี้คงเส่นคงว่าไม่มีว่าสมัยโน้นบารลุมะขอนิพพานมีมะผลนิพพานสมัยนี้เป็นโมฆะมะขอนิพพานไม่มีไม่ว่าสมัยไหนถ้าลง มรรคคือปฏิบัติกาเครื่องดาเนินเพื่อความเป็นคนดีไม่มีแล้วผลแห่งความสุขความสบายจะหามีในคนนั้นไม่ได้ไม่ว่าสมัยใดยู่ขึ้นอยู่กับสัจธรรมทั้งสีนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้งสีจึงเป็นหัวใจของพระศาสนาโดยตรงอยู่ภายในจิตใจของเรานี้สุกขธนรมไว้ตั้งใจเพื่อปฏิบัติอย่าลดทอดท้อถอยลดละความเปลี่ยนเรามีคุณค่าเต็มตัวแล้วเวลานี้เป็นพระได้ สร้างกิตการงานของท้าโดยสมบูรณ์ด้วยความภาเพียิเพื่อถอดถอนกิเละทุกประโยคมันจะทนผีมือของเราไปได้อย่างไรเราเป็นสิตธถาคตศองไม่เป็นผู้ท้อถอยอ่อนแอเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดด้วยสติปัญญาพยายามผิดขึ้นมาฟิดขึ้นมาเราเป็นลูกสิทติศาคตอย่าอยู่แบบงูนั่งแบบงูนอนแบบงูให้ที่เละเหยียบย่ำทำลายด้วยความอ่อนแอเดือดไหลใช่ไม่ได้เลย นี่แนะ่ะหลักประกันตัวเราจะไม่นอกเหนือจากหลักธรรมที่พระเจ้าประทานให้แล้วนี่แหละเอาอันนี้เป็นเครื่องประกันตัวเป็นเครื่องรักษาตัวเราจะเห็นความเด่นความอัศจรรย์ขึ้นพายนจิตเมื่อได้ถึงขั้นนี้แล้วอดีตหมดความกังวลในเรื่องอดีตเคยเป็นมายังไงมันประจักษ์อยู่กับใจนั่นแล้วาจนี้ไม่ขาดสะบัน้นออก มันสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจได้ขาดสะบั้นออกแล้วที่ความเป็นมาตั้งแต่อดีตเคยเป็นเกิดเป็นอะไรอะไรเพราะอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิดมันบอกในตัวเด็กอนาคตมันจะมีไปได้ยังไงมีไปได้เพรเห็นอะไรก็เพราะเชื้อคือวิชาปัฏิยาเวลาเนี้ยวิชาปฏิยาซึ่งเป็นเชื้อที่เคยวานพืชเป็นผลมาโดยลาดับและจะวานพืชเป็นผลให้เกิดจิตใจเกิดในภพน้อยภพใหญ่มันถูกขาดสะบั้นของพระนจิตใจด้วยสติปัญญาสตางองแกนนี้แล้วปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร ปัจจุบันนี้ก็คือความบริสุทธิ์ล้วนๆหมดเรื่องหมดราหมดอดีตอนาคตหมดภกหมดชาติหมดอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจประจากที่ใจอย่างอาฐานทานตายโดยดักรธรรมชาติไม่ต้องเสดสันต์ตั้นหย่อนตายวันไหนก็ต า, ตายตายก็เรื่องสมมุติอันนี้การยทุกทางต า, ตาเรียนอยู่แล้วรู้อยู่ประจากษ์ใจแล้วตื่นหาอะไรน่ะอย่างเกิดตังต้งตายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมุติทั้งนั้นเราก็เรียนอยู่แล้วรู้อยู่แ เมื่อได้เห็นเต็มภูมิภายในจิตใจแล้วจะตื่นเต้นไปอะไรอู่ก็อยู่ไปตามความรู้จริงเห็น <c oughs> จริงนั <c oughs> ่นอยู่ตามหลักธรรมชาติแห่งความรู้รอบขอบคิดไปก็ไปตามธรรมชาติทั้งหมดไม่มีปัญหาอะไรขอให้ทุกๆ ท, ท่านพยายามอย่านดละความเพียรอย่าอยู่เฉยๆแบบโื่โซ่ซาซาอืมยีเรียบย่ำทำลายจิตใจเราเป็นนักปฏิบัต สติปัญญาเป็นคู่เคียงกับหัวใจเราหัวใจเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่มันไม่มีคุณค่าก็เพราะสินทํามช้าเลืตามเข้าอหยาบย่ําทํำลายจินตนาเป็นของหมดคุณค่าไปแก้มันออกให้หมดทำละมูดพูดเต็มอยู่ภในจิตมูดพูดคืออะไรขี้โรคขี้โกรธขี้หลงมันมีแต่ขี้ทั้งนั้นเต็มหัวใจล้างมันออกให้หมดหมดขี้แล้วก็ประสบิฐนะอาจารย์กำลังทำก็เห็นมาสมควรเห็นคำนี้น เริ่มเริ่มรู้สึกหน่อย